วันนี้ก็เป็นวันที่15สิงหาคมเป็นวันเสาร์เป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆจึงได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาศึกษามาเรียนรู้คำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะ คำตอบที่พวกเรามักอยากจะมักจากจะรู้มักจะถามกันก็คือว่าเรามาเกิดกันทำไมพวเราทุกคนคงจะสงสัยไว้อยู่ดีๆทำไมเราโผล่มาออกมาจากท้องแม่ได้ยังไงมาแล้วมาทำไมคำถามนี้มักจะเกิดเวลาที่เรามีความทุกข์กัน เวลาที่เรามีความสุขเรามักจะไม่สนใจว่าเรามาทาไมเพราะช่วงที่เรามีความสุขเราก็เพลิดเพลินกับความสุขไปแต่พอเราไปเจอความทุกข์เข้าเราถึงจะเริ่มถามตัวเองว่ามาเกิดทำไมมาหาความทุกข์กันทำไมยิ่งเราเห็นอนาคตของเรา เรายิ่งเห็นความทุกข์มากขึ้นไปเรื่อยเพราะร่างกายของเราก็จะต้องแก่ลงไปเรื่อยๆแล้วโรคภัยไข้เจ็บต่างๆก็จะหผเข้ามาหาเราอยู่เรื่อยๆจนในที่สุดก็จะถึงแก่ความตายไปพอเราเห็นกองทุกข์ต่างๆที่รอเราอยู่ข้างหน้ามันก็เลยทำให้เรา คิดกันถามกันขึ้นมาเฮ้ยมาเกิดกันทำไมเกิดแล้วได้อะไรได้แต่ความทุกข์ความสุขที่ได้ได้มาเดียวเดียวมันก็หมดไปแล้วทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองต่างๆบุคคลต่างๆที่เราได้มาในที่สุดเราก็ต้องทิ้งไปหมดเอาอะไรติดตัวไปไม่ได้เลย ก็เหมือนกับที่เขาพูดว่าเวลามาก็มาตัวเปล่าๆ เ, เวลาไปก็ไปตัวเปล่าๆแล้วมาทาไมกันมาเกิดทำไมกันถ้าเราไม่ได้ศึกษาธรรมะคำส่งคาสอนของพระพุทธเจ้าเราจะไม่ได้ความตอบที่แท้จริงแต่ถ้าเราได้ศึกษาแล้วเราจะได้คาตอบว่า การมาเกิดของเรานี้เกิดจากเราถูกหลอกนั่นเองเราคือใค่เราคือดวงวิญญาณนรจิตตวิญญาณที่ไม่มีร่างกายเราก็ถูกความหลงโมหะอวิชชาในใจของเราหลอกให้เราคิดว่าการที่เราจะมีความสุขกันเราต้องมีร่างกาย เพราะเมื่อเรามีร่างกายเราจะได้มาหาโลกกระทหาความสุขจากโลกกระทที่มีอยู่ในโลกนี้ได้หาความสุขจากลาบยศสรรเสริญหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสทวัตถ ภ, ภต่างๆจากบุคคลต่างๆจากสิ่งต่างๆนั่นเองนี่คือตัวที่หลอกให้เรามาเกิดกันเพราะหลอกให้เราคิดว่าการมาเกิดแล้วจะมีความสุขกัน จะได้ความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆซึ่งในเบื้องต้นก็มักจะเป็นอย่างนั้นตอนที่เรายังไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนี้เรามักจะมีเวลามีโอกาสหาความสุขกันได้อยู่เรื่อยๆเราก็เลยไม่ได้คิดอะไรตอนที่เราเป็นหนุ่มเป็นสาวกันแต่พอเราเข้าเริ่มสู่วัยชรา เริ่มเห็นความทุกข์ต่างๆเข้ามาอยู่เรื่อยๆ mm. มันก็เลยทำให้เราอดคิดอดถามไม่ได้ mm. ถ้าไม่ได้ศึกษา mm. พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า mm. เราก็จะไม่รู้ mm. ว่าการมาเกิดของเรานี้เกิดจากการถูกหลอก mm. ถูกโมหะอวิชชาความหลงแปว่าโมหะ เห็นว่าความสุขอยู่ที่โลกนี้อยู่ในโลกนี้ความจริงความสุขมันอยู่ในตัวเราอยู่ในใจเราแต่เราไม่รู้อวิชชาเราไม่รู้ความจริงว่าความสุขที่เราต้องการกันนั้นมันไม่ได้อยู่ที่ไหนหรอกมันอยู่ในใจของเราเองอยู่ที่ความสงบของใจเราอันนี้เราไม่รู้คืออวิชชาไม่รู้แล้วก็เลยพอไม่รู้ก็เลยหลงถูกหรอก เอาให้คิดว่าความสุขอยู่ที่สิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้อยู่ที่การได้ดูอะไรได้ฟังอะไรได้ดื่มได้รับประทานอะไรได้สัมผัสกับอะไรต่างๆซึ่งมันก็เป็นความสุขเพียงแต่ว่ามันเป็นความสุขชั่วคราวเท่านั้นเองเป็นความสุขที่ไม่ถาวรไม่อยู่กับเราไปงานเป็นแบบควันไฟ ได้มาแล้วก็จางหายไป <Yeah. S 1> พอหมดไปก็ทำให้เราสึกอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเดียวดาย mm. เหมือนกับไม่เคยมีความสุขมาก่อน mm. ความสุขหายไปหมด mm. ก็เลยต้องทำให้เราต้องดิ้นรนขวนขวายคอยหาความสุขมาเพิ่มอยู่เรื่อยๆ mm. ต้องไปดูไปฟังต้องไปกินไปดื่มไปสัมผัสกับอะไรต่างๆอยู่เรื่อยๆ ในการที่จะทำให้ใจเรามีความสุขหล่อเลี้ยงใจของเรา<ม>ซึ่งมันก็เป็นการเหนื่อยยากพอสมควร<ม>เราคงจะรู้กันกว่าจะได้ความสุขมาแต่ละครั้งนี้เราต้องเหน็ดเหนื่อยกับการทำงานทำการหาเงินหาทอง<ม>พอเราได้เงินได้ทองแล้วเราถึงจะสามารถเอาเงินทองไปซื้อความสุขต่างๆมาให้เราได้เสพได้สัมผัสกัน แต่มันก็เป็นความสุขแบบชั่วคราวที่ทำให้เราต้องคอยหาเงินหาทองทำงานทำการอยู่เรื่อยๆแล้วก็ต้องเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าต้องมาทุกข์มาวุ่นวายกับการทำงานแล้วบางทีถ้าเป็นงานที่ไม่สำเร็จถ้าไปทำการค้าเองบางทีอาจจะแทนที่จะกำไรก็อาจจะขาดทุนได้ เลยยิ่งทําให้เกิดมีความทุกข์เพิ่มมากขึ้นไปอันนี้เป็นเพราะความหลงเห็นเห็นด้านเดียวเห็นว่าโลกนี้มีความสุขแต่ไม่เห็นด้านของด้านของความทุกข์ที่มีติดมากับความสุขนั่นเองความทุกข์นี้เป็นเหมือนเงาติดตัวติดตามมากับความสุข ันานๆจะมีคนฉลาดอย่างพระพุทธเจ้าที่มองเห็นความทุกข์ในโลกนี้ <Yeah. S 1> ไม่เพียงแต่เห็นแต่ความสุขแต่เห็นความทุกข์ที่ติดมากับความสุขด้วยและเป็นตัวที่รุนแรงกว่าความสุขเพราะมันมาทีหลังมันมากบความสุขที่เราหาได้หมดความสุขต่างๆที่เราหากันได้ในตอนนี้ เดี๋ยวถ้าวันนี้เกิดมีเหตุการณ์เกิดความทุกข์อะไรขึ้นมานี่มันจะมากลบความสุขต่างๆที่เราหาได้ไปหมดเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่ามีแต่ความทุกข์หล่อเลี้ยงจิตใจเราอยู่ตลอดเวลานี่คือคำตอบที่แท้จริงว่าเราเกิดมาทำไมความจริงเราไม่ได้มีเป้าหมายอะไรในการเกิดหรอก เปหมายของการเกิดเวนมาเพื่อหาความสุขกันคําตอบก็คือหาความสุขกันแต่เป็นความสุขปลอมเท่านั้นเอง mm hmm. เพราะถูกหลอกด้วยโมหะอวิชชา mm hmm. โมหะไม่รู้ว่าความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ไหน mm hmm. ก็เลยคิดว่าความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ในโลกนี้อยู่ที่โลกธรรมอยู่ที่ลาบยศสรรเสริญอยู่ที่ รูกเสียงกลิ่นรสโกฏภะชนิดต่างๆแต่ถ้ามาศึกษาด้วยปัญญาอย่างพระพุทธเจ้านี่ตอนที่เป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะพอเริ่มศึกษาถึงความสุขต่างๆที่ได้ในโลกนี้ก็ทรงเห็นว่ามันเป็นความสุขชั่วคราวและความสุขที่จะต้องหมดไปเมื่อร่างกายแก่ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วย และร่างกายตายเพราะนั้นตอนนั้นร่างกายก็จะไม่สามารถไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆได้พองค์ก็เลยทรงเห็นว่าการมาหาความสุขจากโลกนี้จึงเป็นความเข้าใจผิดเพราะเป็นการมาหาความทุกข์กันมากกว่าแล้วก็ทุกคนก็รู้อยูว่ว่าไม่มีใครในโลกนี้ที่ไม่ทุกข์กัน ทุกคนเกิดมาในโลกนี้ร้องห่มร้องไห้กันด้วยกันทุกคนนั่นนะสัญลักษณ์ของความทุกข์ก็คือน้ำตา <Yeah. S 1> ที่เราหลั่งกัน <Yeah. S 1> แสดงว่าโลกนี้ไม่ใช่เป็นโลกของความสุขโลกของความทุกข์ mm hmm. เพียงแต่มีความสุข mm hmm. แบบ mm hmm. เคลือบเคลือบคุมไว้ท่านเองเหมือนยาขมเคลือบน้าตาล <Yeah. S 1> ซึ่งน้ำตาลนี้ก็เป็นผิวบาง พอเราอมไปสักพักหนึ่งพอน้ำตาลละลายเราก็จะจะลดขมของยาจันได้ความสุขที่เราได้กันจากสิ่งต่างๆในโลกนี้ก็เป็นเหมือนน้ำตาลเคลือบยาขมนี่เองความสุขที่เคลือบความทุกข์นี่แหละคือความจริงที่ไม่มีใครรู้กันต้องใช้คนฉลาดอย่างพระพุทธเจ้ามา พิจารณามาวิเคราะห์ถึงจะเห็นว่าออถูกหลอกมาให้หาความสุขกันก็เลยส่งถามว่าแล้วความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ไหนก็ได้ยินได้ฟังจากพวกที่เป็นนักบวชที่ค้นคว้าที่ได้พบได้รู้จักความสุขอีกแบบหนึ่งความสุขที่มีอยู่ในใจความสุขที่เกิดจากความสงบนี่เอง นั่นแหละคือความสุขที่แท้จริงเพียงแต่ว่าในยุคที่พระพุทธเจ้าทรงยังไม่ได้ตรัสรู้นั้นผู้ที่พบความสุขจากความสงบนี้ได้ความสุขแบบชั่วคราวคือความสุขที่ได้จากการทำใจให้สงบด้วยการนั่งสมาธิ เวลาเข้าสมาธิความสุขที่เกิดจากความสงบก็จะปรากฏขึ้นมาแต่พอเวลาจิตถอนออกจากสมาธิออกมาความสุขที่ได้จากสมาธิก็ค่อยๆจางหายไป mm hmm. ก็มีความทุกข์เข้ามาแทนที่ความทุกข์ที่เกิดจากการมาสัมผัสรับรู้ก mm hmm. ับเหตุการณ์ต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ mm hmm. ที่ทำให้ใจทุกข์ได้ เช่นสัมผัสกับความแก่สัมผัสกับความเจ็บไข้ได้ป่วยสัมผัสกับความตายถึงแม้จะไม่ได้เป็นความตายของตนเองก็ตามเวลาเห็นคนอื่นตายเราก็ยังเกิดความทุกข์ขึ้นมาอันนี้เป็นการหาความสุขได้แบบชั่วคราวคือถ้าต้องการความสุขเมื่อไหร่ก็ต้องเข้าไปในสมาธิ ใจถึงมีความสงบมีความสุขได้แต่พอออกจากสมาธิมาพ อ, อมาสัมผัสกับความทุกข์ในโลกนี้ความสุขที่มีอยู่ในใจก็หมดไปไม่มีใครรู้วิธีที่จะทำให้ใจนี้สงบและสุขตลอดเวลาทั้งในขณะที่อยู่ในสมาธิและในขณะที่ออกจากสมาธิมา เพราะไม่มีใครรู้สาเหตุที่ทำให้ใจทุกเวลาที่ไม่ได้อยู่ในสมาธินี่เองพระพุทธเจ้าก็ได้เรียนรู้จากกูบาอาจารย์ต่างๆได้ในระดับของสมาธิแต่พอออกจากสมาธิมาก็ไม่รู้วิธีว่าทำอย่างไรให้ใจสงบให้ใจมีความสุขต่อไปแต่ด้วยความอยากรู้อยากพบ อยากจะหาความสุขที่แท้จริงแบบถาวรก็ทําให้พระพุทธเจ้าทรงขวนขวายทรงศึกษาทรงค้นคว้าเข้าไปในใจของตนเองจนในที่สุดก็ทรงค้นพบสาเหตุที่ทําให้ใจทุกข์เวลาที่ไม่ได้อยู่ในสมาธิเหตุที่ทําให้ใจทุกก็คือความอยากของใจนี้เองเวลาอยากได้อะไร ใจจะรู้สึกไม่สบายใจขึ้นมาจะรู้สึก อ, อกังวลกังวายกระสับกระสายเ <Yeah. S 1> นื้องดูดหีิดลำคาญใจสำหรับบางอย่าง <Yeah. S 1> เช่นคนที่อยากจะสูบบุหรี่คนที่อยากจะดื่มสุรา <Yeah. S 1> เวลาเกิดความอยากแล้วไม่ได้ดื่มไม่ได้สูบจะรู้สึกหงุดหงิดลำคาญใจ หรืออ ย, อยากอย่างอื่นก็เหมือนกันอยากดูหนังฟังเพลงอยากไปเที่ยวอยากไปหาเพื่อนเด็กๆบางคนนี่อยากจะไปเที่ยวอยากจะไปหาเพื่อนพ่อแม่ก็ไม่อยากให้ไปก็ห้ามก็เกิดความหงุดหงิดเกิดความไม่พอใจนี่แหละคือตัวที่ทำให้ใจทุกข์กันไม่ใช่สิ่งต่างๆที่มีในโลกนี้ที่ทำให้ใจทุกข์ตัวที่ทำให้ใจทุกข์ก็คือความอยากต่างๆ พอเวลาเข้าไปในสมาธินี้ความอยากต่างๆหยุดทำงานชั่วคราวสมาธินี้เพียงแต่ทำให้ความอยากหยุดชั่วคราวแต่ไม่สามารถทำให้ความอยากหายไปอย่างถาวรได้เวลาเข้าไปในสมาธิจิตสงบความอยากก็หยุดทางานความทุกข์ก็หายไปความสุขก็ปรากฏขึ้นมาในใจแต่พอออกจากสมาธิมา พอมาสัมผัสรับรู้กับสิ่งต่างๆเรื่องราวต่างๆก็เกิดความอยากขึ้นมาอยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้อยากได้สิ่งนั้นอยากได้สิ่งนี้พอเกิดความอยากขึ้นมาแล้วพอไม่ได้ทำตามความอยากไม่ได้ดังใจอยากก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเหพระพุทธเจ้าก็ทรงสรุปว่าถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปอยากเท่านั้นเอง ทำใจให้นิ่งเหมือนอยู่ในสมาธินิ่งนิ่งด้วยความอยากก็คือนิ่งทําให้ความอยากนิ่งทําให้ความอยากทําให้ความอยากเกิดขึ้นวิธีจะทําให้ความอยากไม่เกิดขึ้นก็คือต้องไม่ทําตามความอยากเวลาอยากได้อะไรอยากมีอะไรอยากเป็นอะไรอยากไปไหนอยากมาทำอะไรก็อย่าไปทําตามมัน แต่พอเราไม่ทาตามมันใจเราก็จะรู้สึกหงุดหงิสํำคาญใจถ้าเราไม่มีสมาธิไม่มีอุเบกขาเราจะฝืนจะทนความอยากไม่ได้แล้วถึงแม้จะมีสมาธิฝืนทนได้ก็ตามมันก็ยังไม่ทําให้เราเลิกอยากได้วิธีที่จะทําให้เราเลิกความอยากได้เราต้องเห็นความทุกข์ที่จะตามมา จากสิ่งที่เราไปอยากได้พอ mm hmm. เห็นว่าสิ่งที่เราคิดว่าจะให้ความสุขกับเรานี้จะให้ความทุกข์กับเราด้วยพอ mm hmm. เห็นว่ามันจะทําให้เราทุกข์จะทําให้เราต้องปวดร้าวทรมานใจ mm hmm. เราก็ไม่เอาดีกว่าเช mm hmm. ่นคนที่ติดบุหรี่อยากสูบบุหรี่ mm hmm. ถ้าเห็นโทษของการสูบบุหรี่ mm hmm. เห็นภัยที่จะตามมาจากการสูบบุหรี่ เคออยจะทำให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นโรคทางทางหลอดลมหายใจทางปอดทางอะไรทำให้ต้องเสียชีวิตไปก่อนวัยอันควรพอเห็นภัยอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากการสูบบุหรี่ก็จะไม่กล้าสูบต่อไปจะเลิกสูบได้นี่คือปัญญาเราต้องใช้ปัญญาวิเคราะห์สิ่งต่างๆที่เราคิดว่าจะให้ความสุขกับเรา ว่ามันเป็นความสุขอย่างเดียวหรือว่ามันมีโทษมีความทุกข์ตามมาด้วย <Yeah. S 2> ถ้าวิเคราะห์จริงๆแล้วจะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ <Yeah. S 2> มันมีทุกข์ตามมาทางนั้น <Yeah. S 2> เพราะว่าสิ่งที่เราได้มามันไม่มันไม่เหมือนเดิม <Yeah. S 2> ได้มาแล้วมันจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ <Yeah. S 2> จากของใหม่ก็จะกลายเป็นของเก่าไป <Yeah. S 2> พอเป็นของเก่ามันก็จะเริ่มรวนจะเริ่มไม่สามารถ ทำหน้าที่ของมันได้เช่นรถยนต์อะไรต่างเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆที่เราซื้อมาใช้กันเวลาได้มาใหม่ๆมันก็ใช้ได้อย่างคล่องแคล่วว่อ ง, ง, ง, งไวให้ความสุขกับเราตามที่เราต้องการแต่พอมันเก่าเข้าเก่าเข้ามันก็เริ่มชำรุดทุดโทรมมันก็เริ่มเสียตรงนั้นเสียตรงนีนน้พอจะใช้มันมาให้ความสุขกับเรามันก็ไม่สามารถตอบสนองความอยากของเราได้ มันก็เลยกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาทุกข์ที่เราจะต้องไปซ่อมมันต้องไปไปเปลี่ยนมันก็ต้องเสียเงินเสียทองเสียอะไรต่างๆตามมาต่อไปอืนะให้เห็นว่าทุกอย่างนี้ที่ให้ความสุขกับเรามันไม่เที่ยมมันจะต้องเสื่อมมันจะต้องหมดเวลามันเสื่อมเวลามันหมดมันก็จะทําให้เราทุกข์กันทําให้เราเศร้ากันอื ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ไม่อยากจะเศร้าก็อยากไปอย่าไปมีมันอย่าไปอาศัยมัน <Yeah. S 1> เราสามารถอยู่กับความสงบได้ <Yeah. S 1> เรากลับมาอยู่กับความสงบเข้าสมาธิแทน <Yeah. S 1> ทุกครั้งที่เราอยากจะสูบบริทุกครั้งที่เราอยากจะไปเที่ยว <Yeah. S 1> เราก็เปลี่ยนวิธีหาความสุขจากการไปเที่ยวจากการสูดบริเวณมานั่งสมาธิแทนมาทำใจให้สงบแทน ถ้าเราฝืนไม่ทำตามความอยากเพียงไม่กี่ครั้งต่อไปความอยากของนั้นมันก็จะไม่มารบกวนใจเราอีกต่อไปความอยากสูบบรีก็จะหายไปความอยากเที่ยวก็หายไปความอยากจะมีคนนั้นคนนี้มาเป็นแฟนก็จะหายไปความอยากจะได้อะไรก็จะหายไปหมดถ้าเราไม่ไปทำตามความอยากเราเปลี่ยนวิธีหาความสุข แทนที่จะหาความสุขจากราบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกยลิ่นรสต่างๆเราก็มาหาความสุขจากความสงบกันอันนี้ต้องใช้ปัญญาควบคู่กับสมาธิถึงจะสามารถหยุดความอยากได้อย่างถาวรแต่ถ้าเราไม่มีปัญญาเราเพียงแต่ใช้สมาธิเราก็ยังจะไม่เห็นทุกข์ที่ที่จะตามมากับความสุขที่เราไปหากัน เราก็ยังจะอยากหาความสุขจากสิ่งต่างๆในโลกนี้อยู่แต่ถ้าเราเห็นทุกข์ที่จะตามมาเพราะสิ่งต่างๆในโลกนี้เป็นของที่จเจริญแล้วต้องเสื่อมไปในที่สุดไม่เทีย่ยมมันจเจริญแล้วต้องเสือ่อมอ น, นาตตามันไม่ใช่เป็นของเราเราไม่สามารถเก็บมันไว้เป็นของเราได้ไม่สามารถสั่งให้มันให้ความสุขกับเราได้ตลอดเวลา เช่นลาบเนี่ยลาบคือทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองรายได้ต่างๆมันก็มีเจริญแล้วก็มีเสื่อมนะเรามีรายราบแล้วเดี๋ยวเราก็มีรายจ่ายได้มาแล้วเดี๋ยวก็หมดได้ได้ลาบมาก็เสื่อมลาบได้ได้ยศได้ตาแหน่งอะไรมาเดี๋ยวก็เสื่อมได้เป็นข้าราชการเดี๋ยวอายุหกสิบปีเขาก็ลดเราละเกษียณเราละกลายเป็นนายพลอะไรก็เป็นอดีตไปละ กลาเป็นนายกก็กลายเป็นอดีตไปแล้วนี่เรียกว่ามันไม่เที่ยมแล้วเราก็สั่งมันไม่ได้สั่งให้เป็นนายกไปตลอดชีวิตก็สั่งไม่ได้ถึงเวลามันจะหมดมันก็หมดเรียกว่าอนัตตาไม่ใช่เป็นของเราอย่างแท้จริงพอมันจากเราไปมันหมดไปมันก็ทำให้เราเศร้าทำให้เราทุกข์กันคนที่เคยเป็นนายกพอไม่ได้เป็นนายกเขาจะรู้สึกเศร้า แต่พวกเราที่ไม่เคยเป็นนายกเวลาไม่ได้เป็นนายกเราไม่รู้จเราจะไม่รู้สึกเศร้าเราไม่เดือดร้อนเพราะเราไม่ได้สูญเสียาการเป็นนายกไปเ <Gym. S 1> พราะเราไม่เคยเป็นนายกแต่คนที่เคยเป็นนายกแล้วพอกลับมาเป็นคนธรรมดาอย่าง พ, พวกเรานี้จะรู้สึกเศร้านี่แหละคือการพิจารณาด้วยปัญญาให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราหามาให้ความสุขกับเรานี้มันเป็นความสุขชั่วคราว มันเป็นความสุขที่จะทําให้เราต้องทุกข์ต้องเศร้าโศกเสียใจในภายหลังถ้าเรามีทั้งปัญญามีทั้งสมาธิเราก็จะมีเครื่องมือที่จะหยุดความไม่ทําตามความอยากได้ฝืนความอยากได้พอเราไม่ฝืนไม่ทําตามความอยากไปไม่เพียงเพียงไม่ติดทั้งมันก็ไม่มารบกวนใจเราอีกต่อไปนี่แหละคือ การมาเกิดของเราเป็นอย่างนี้เบื้องต้นเรามาเกิดเพราะเราถูกหลอกให้มาเกิดแล้วก็มาทุกข์กับการที่มาหาสิ่งต่างๆที่มีในโลกนี้ได้ความสุขแล้วเดี๋ยวก็ต้องเสียไปหมดไปพอเสียความสุขที่ได้มาความทุกข์ก็เข้ามาในใจของเรานี่จะเป็นวิธีที่เราจะทำกันอยู่เรื่อยๆตราบใดถ้าเรายังไม่ได้มาเจอกับพระพุทธศาสนา เราก็จะกลับมาเกิดกันอยู่เรื่อยๆพอร่างกายนี้ตายไปความอยากที่มีอยู่ในร่างกายเราที่ยังไม่ได้รับการชำระไม่ได้รับการกำจัดมันก็จะเป็นตัวผลักดันให้ใจเรามากับกลับมาเกิดใหม่มามีร่างกายอันใหม่แล้วก็มาถามคำถามเดิมว่าเกิดมาทําไมเวลาเกิดความทุกข์เกิดความเศร้าโศกเสียใจจนกว่าเราจะได้มาพบกับพระพุทธศาสนา มาพบกับพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเราจะได้คำตอบที่แท้จริงและเราจะได้ความรู้เพิ่มเติมด้วยว่าวิธีที่จะแก้ปัญหาของเรานี้แก้อย่างไรตอนต้นเราจะรู้ว่าเราถูกหลอกให้มาเกิดกันให้เรามาหาความทุกข์กันโดยคิดว่าโลกนี้มีแต่ความสุขแต่ความจริงโลกนี้มีทั้งสุขและมีทั้งทุกข์ ถาหาสุขก็ต้องเจอทุกขเพราะทุกมันเป็นเงาตามตัวมันเป็นเหมือนเหรียญสองด้านเหรียญมันไม่มีด้านเดียวเหรียญมีทั้งหัวมีทั้งก้อยโลกนี้ก็เหมือนกันสิ่งต่างๆที่เป็นที่มีอยู่ในโลกนี้ก็เป็นสองด้านด้านหนึ่งเป็นความสุขอีกด้านหนึ่งเป็นความทุกข์ไม่ช้าก็เร็วจะต้องเจอทั้งสองด้านเบื้องต้นเราก็จะเข้าหาด้านของความสุขก่อน แต่พอได้ความสุขแล้วเดี๋ยวมันก็จะพลิกกลับกลายเป็นความทุกข์ให้เราเห็นต่อไปฉะนั้นคําตอบที่เราได้รับจากพระพุทธศาสนาก็คือว่าเมื่อเราถูกหลอกให้มาเกิดแล้วที่เราก็ต้องแก้อย่าให้ถูกหลอกซ้ํำซากเราต้องแก้ด้วยปัญญาแก้ด้วยความรู้ที่พระเจ้าได้ทรงตรัสไว้ว่าการเกิดนี้เป็นทุกข์ทุกข์ย่อมมีแก่ผู้ ผู้เกิดทุกคนถ้าไม่ต้องการความทุกข์ต้องไม่มาเกิดงานหน้าที่ของเราหลังจากที่เราได้ศึกษาได้เรียนรู้จากพระพุทธศาสนาแล้วหน้าที่ของเราขั้นต่อไปก็คือเมื่อเรารู้ว่าเราถูกหรอกให้มาเกิดเราก็ต้องยุติการเกิดเสียเพราะการเกิดนี้มันเป็นทุกข์เดี๋ยวก็ต้องแก่ทุกข์กับความแก่เดี๋ยวก็เจ็บไข้ได้ป่วยทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วย เดียวก็ต้องพัดภาคจากกันพัดภาคจากคนนั้นพัดภาคจากคนนี้พัดภาคจากสิ่งนั้นพัดภาคจากสิ่งนี้พอมีการพัดภาคจากกันก็มีความเศร้าโศกเสียใจก็เป็นความทุกข์อีกอย่างต้นนี้พอเราตายไปเราก็ต้องพัดภาคจากทุกสิ่งทุกอย่างไปก็เป็นความทุกข์งั้นถ้าเราไม่อยากที่จะกลับมาเจอความทุกข์ซ้ำซากเราก็ต้องมาหยุดการเกิดกันให้ได้ มืกับที่พระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติมนาะหลังจากที่ทรงรู้ว่าการมาเกิดในโลกนี้เป็นทุกข์เพราะถูกข์ออกให้มาหาความสุขในโลกนี้พระองค์ก็เลยทรงหาวิธีที่จะทําให้หยุดการเกิด<ม>ก็ทรงกลบว่าเหตุที่พาให้มาเกิดก็คือความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจของพวกเราเนี่ยเองการมตัณหาความอยากหาความสุขจากการมาพบพราะว่าตัณหา ความอยากหาความสุขจากอรูปภพภาวะวิภาวะทันหาความอยากหาความสุขจากอรูปภพเ น, นี่ยในไตในในสังสารวัฏในไตพบมีสามภพด้วยกันภพที่สัตว์โลกคือดวงวิญญาณของพวกเรานี้เวียนว่ายตายเกิดกันขึ้นอยู่กับว่าเราอยากได้แบบไหนพวกเรานี้เป็นพวกอยากเสพกามกันเราถึงมาเกิดในกามมาพบกัน การมาพบนี้ก็มีสองระดับด้วยกันระดับที่เป็นทุกข์กับระดับที่เป็นสุขและระดับกลางๆระดับที่เป็นทุกข์ก็คือระดับของอบายสัตว์โลกหรือดวงวิญญาณที่ทำบาปในขณะที่หาความสุขก็จะต้องไปเกิดในอบายกันไปเป็นดวงวิญญาณที่มีแต่ความทุกข์กันส่วนพวกที่ หาความสุขแล้วแบ่งปันความสุขให้กับผู้อื่นก็จะเป็นพวกดวงพวกเทวดาเป็นดวงวิญญาณที่มีความสุขก็จะไปเสพรูปทิพเสียงทิพกลิ่นทิพที่เป็นความสุขพวกที่ทําบาปก็จะไปเป็นดวงวิญญาณที่จะเสพรูปทิพเสียงทิพที่เป็นทุกข์กันแล้วพวกที่เป็นกลางกลคือมีบ้างมีสุขบ้างมีทุกข์บ้างค้าเข้ากันไป ก็พวกมนุษย์นี่แหละพวกเราเนี่แหละเป็นพวกมนุษย์พวกที่มาเกิดเพราะว่าความสุขกับความทุกข์หรือ ว, ว่าบุญหรือบาปที่เราได้สร้างไว้นี้มันมีกำลังพอๆกันมันเลยไม่สามารถดึงให้เราไปทางสวรรค์หรือไปทางนรกทางอบายได้เราก็เลยมาเกิดกันเป็นมนุษย์นี่คือพบของพวกที่เสกกลามชั้นสูงก็พวกเทวดา นองลงมาก็พวกมนุษย์อย่างพวกเราต่ำลงไปก็พวกเดรัจฉานพวกสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายแล้วก็พวกดวงวิญญาณที่หิวโหยก็พวกเปรตดวงวิญญาณที่หวาดกลัวก็พวกอสุร่ากายดวงวิญญาณที่เครียดแค้นอาฆาตพยาบาทก็พวกนรกนี่คือการมาพพวกที่เสพการพวกที่ยังอยากหาความสุขจากรูปเสียงกิ่นรสผลพระชนิดต่างๆอยู่ ก็จะต้องเสกกรมกันได้ในขณะที่หาหาการมาเสกก็จะอาจจะหาโดยวิธีทําบา บ, บ้างหาโดยวิธีทําบุญบ้างโดยไม่ทําบา บ, บ้างแล้วพอหามาได้มากก็อาจจะแบ่งกันให้แก่ผู้อื่นก็ได้ทําบุญมนุษย์เราจึงมีการกระทําอยู่สองสมลักษณะด้วยกันทําบุญบ้างทําบาบ้างไม่ทําบุญไม่ทําบาบ้าง แล้วก็เลยเกิดมีผลที่จะทำให้ไปเกิดในการมาพบในชั้นต่างๆกันนี่คือพวกที่เสพกามอีกพวกหนึ่งเป็นพวกที่นอกเสพกามคือพวกที่ถือศีลแปดขึ้นไปตรงนี้เขาไม่หาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสเขาจะมาหาความสุขจากรูปประชานกับเอารูปประชาโดยการสุดนั่งสมาธิทำใจให้สงบตรงนี้เวลา ร่างกายตายไปเขาก็จะไปอยู่ในรูปภพหรืออรูปภพถ้าเขาได้รูปฌานเขาก็จะไปอยู่ในรูปภพเรียกว่าเป็นรูปปภพถ้าเขาได้อรูปฌานเขาก็จะไปอยู่ในอรูปภพคือภพของอรูปปภพที่มีความสุขที่ละเอียดที่สุดคือภพของอรูปปภพรองลงมาก็ภพของรูปรูปปภพ มีความสุขลองลงมาแล้วลองลงมาก็พบของเทวดาชั้นต่างๆมีหกชั้นด้วยกันแล้วก็ต่ำกว่าเทวดาก็พบของมนุษย์ต่ํากว่ามนุษย์ก็เดชะฉานเปรตอสุรกายนั้นนรกตามลําดับนี่คือดตายพบที่ดวงวิญญาณของพวกเราเมียนไหวาตายเกิดกันอยู่ไม่ว่าเราจะไปอยู่ในพบไหนก็ตาม เดี๋ยวเวลาบุญหรือบาปที่ส่งให้เราไปเกิดในภพเหล่านั้นหมดกำลังลงมันก็จะปล่อยให้เรากลับมาเกิดเป็นมนุษย์กันใหม่แล้วก็มาหลอกให้เรามาหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะกันมมันก็จะหลอกเราทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆ เ, เราก็จะเวียนว่ายตายเกิดไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดจนกว่าเราจะได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เท่านั้นเองที่จะบอกเราว่า ตอนนี้เราถูกหลอกให้มาเวียนว่ายตายเกิดกันในตายพบในสังสารวัฏกันถ้าเราไม่อยากที่จะต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอย่างไม่รู้จักจบจากสิน้นเราต้องมาสร้างธรรมะสามระดับด้วยกันสามขั้นก็คือขั้นที่หนึ่งก็คือศีลธรรมขั้นที่สองก็คือสมาธิธรรมขั้นที่สามก็คือปัญญาธรรมธรรมะทั้งสามขั้นนี้จะเป็นเครื่องมือ ที่จะพาให้เราชำระความอยากต่างๆคือก า, าระตันหาภวะตันหาและวิภาวะตันหาที่มีอยู่ในใจของเรานี้ให้หมดสิ้นไปได้ เ, เรากําจัดความอยากทั้งสมที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปได้แล้วเราก็จะได้ไม่ต้องมาเกิดในตายเพราะเปต่อไปไม่ต้องมาเกิดเป็นมนุษย์มาแก่มาเจ็บมาตาย มาถามคำถามซ้ำซากอยู่เรื่อยว่าเกิดมาทำไมทุกครั้งที่เรามีความทุกข์เรามักจะถามกันแต่เวลาตอนที่เรามีความสุขเราจะไม่ถามกันเพราะเราเพลิดเพลินกับความสุขแต่พอมาเจอความทุกข์มาเจอกับความสูญเสียมาเจอกับการพลาดพลากจากกานันนี่มันทำให้เราถามว่าเกิดมาทำไมเกิดมาแล้วในสุดก็ต้องสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างไปหามาได้อะไรมากน้อยเพียงไรมันก็ ต้องเสียไปหมดเวลาที่ตายไปอันนี้ก็ตอนนี้มีฝนปรยโปรมาไม่ทราบว่าใครถ้าอยากจะขยับก็ไม่ไม่ไม่ห้ามนะถ้าถ้าเกรงกลัวฝนจะไม่สบายอยากจะขยับก็ได้ใครอยากจะสู้ฝนนั่งต่อไปได้ก็นั่งไปแล้วแต่ข้างหลังก็มีที่ร่มอยู่บ้างถ้าอยากจะขยับเข้าไปในร่มก็ก็เชิญได้ เราไม่รู้ว่าจะตักจะตกมากตกน้อยแล้วตกนานหไม่นาน <Yes. S 1> ถ้าจะเข้ามาข้างนา น, นี้บ้างก็ได้ข้างๆ ข, ข้างหลังที่มีที่ร่ม <Yes. S 1> ก็เชิญได้ตามสบาย <Yes. S 1> เป็นเรื่องของดินฟ้าอากาศที่เราไม่สามารถที่จะไปสั่ง <Yes. S 1> ไปห้ามเขาได้ <Yes. S 1> เขานื่อยากจะตกเขาก็ตก <Yes. S 1> แต่เขาอาจจะตกปลอยๆ <Yes. S 1> เดี๋ยวๆแล้วเดี๋ยวเขาก็หยุดก็ได้ yes. เดี๋ยวอาจจะสรุปการเทศให้สั้นลงก็ได้เพราะเรื่องอินฟ้าอากาศไม่อำนวยจะได้ <ปะ S 1> ต้องทำตามตามภาวะเหตุการณ์ถ้าไม่เอื้อที่จะฟังเทศแบบครบร้อยเปอร์เซ็นก็เอาแบบย่อไปก็ได้ซึ่งก็ใกล้แล้วล่ะจะย่อสรุปก็ได้ก็คือนี่สรุปว่าเมื่อเรารู้ว่าเราถูกหลอกให้มาเกิด เราก็ต้องอย่ามาเกิดกันและการที่เราจะไม่มาเกิดกันเราก็ต้องมีธรรมะสามข้อนี้สามระดับคือมีศีลธรรมมีสมาธิธรรมและมีปัญญาธรมรมศรีลศีลเราก็เริ่มตั้งแต่ศีลห้าขึ้นไปตอนต้นหัดรักษาศีลห้าก่อนมารักษาศีลห้าได้ก็มาหัดรักษาศีลแปดต่อเพอเรามีศีลแปดเราก็จะมีเวลาที่จะไปฝึกสมาธิได้น เพราะเราจะไม่ต้องไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆ mm. เราก็จะได้มีเวลามาฝึกนั่งสมาธิกัน mm. ถ้าเรานั่งสมาธิบ่อยๆมีสติที่ต่อเนื่อง mm. เดี๋ยวจิตเราก็จะสงบมีความสุขและเราจะเห็นว่าความสุขที่ได้จากสมาธินี้ดีกว่าความสุขที่ได้จากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆ mm. มันก็จะทาให้เราอยากจะเลิกความอยากการเจ็บกามได้ แต่การจะเลิกได้อย่างแท้จริงก็ต้องเห็นโทษ<ๆ>เห็นทุกข์ของการเสพการเพการเสพการเป็นความสุขแบบประเดียวประดาวได้มาแล้วก็หมดไปต้องคอยหามาเติมอยู่เรื่อยๆและช่วงใดเวลาใดถ้าเกิดมีอุปสรรคหามไม่ได้ก็จะเจอความทุกข์เช่นเวลาไม่มีเงินทองไปเที่ยวก็เกิดความทุกข์ขึ้นมา ในเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยพิกลพิการขึ้นมาก็จะไม่สามารถหาความสุขได้ถ้าเราเห็นอย่างนี้เราจะได้ไม่ต่อไปนี้ไม่หาความสุขจากการเสพรูปเสียงกลิ่นรดดิกว่มาหาความสุขจากการนั่งสมาธิทําใจให้สงบดีกว่าเราก็จะเลิกเสบกามได้เราก็จะเลิก เ, ก, เ ก, เลกเสบรู ป, ปรชาญรู ป, ปรชาญได้ตามลาดับต่อไปเพราะแม้แต่รู ป, ปรชาญรู ป, ปรชาญก็เป็นเหมือนกามไม่เทียงเหมือนกัน แต่แล้วแล้วก็เสื่อมเวลาเสื่อมก็จะทำให้ใจทุกข์ได้พอเห็นความเสื่อมของทั้งสามเห็นความเสื่อมของการมคุณหเห็นความเสื่อมของรูปปัจจานเห็นความเสื่อมของภารูปปานเราก็จะเลิกเสพเลิกความอยากเสพสิ่งเหล่านี้ได้พอไม่มีความอยากต่างๆเหลืออยู่ใจเราก็จะสงบแบบถ้าวอนสุขแบบถ้าวอนเรียกว่าเป็นนิพพานขึ้นมา เป็นปรามังสุขขังขึ้นนะเพราะใจเป็นปรมังสุญอย่างว่างจากความอยากทั้งทั้งหมดย่างจากความอยากเสพการเสพลูกประชานและเสพรูปประชานปปชา น, นี่คือเป้าหมายของของการมาศึกษาธรรมะคาสอนคําสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อให้รู้ว่าเรามาเกิดทําไมกันแล้วเมื่อเรารู้ว่าเราถูกหลอกให้มาเกิด เราก็ต้องยุติการเกิดกันเพราะการเกิดทาให้เราต้องมาทุกข์กันทำให้เราต้องมาร้องห่มร้องไห้กันอย่างที่เราเป็นกันอยู่ในขณะนี้ถ้าเราไม่กลับมาเกิดได้เราก็ไม่ต้องมาร้องห่มร้องไห้ไม่ต้องมาทุกข์กับเหตุการณ์ต่างๆที่เราทุกข์กันอยู่ในขณะนี้จะไม่กลับมาเกิดได้ก็ต้องหยุดความอยากทั้งสามจะหยุดได้ก็ต้องอาศัยการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญานี่งดังนั้นก็ ขอให้ท่านจงเอาทำที่ได้ยินในฟังอันนี้คือการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญานี้ไปปฏิบัติกันแล้วเราจะได้มาหยุดความอยากต่างๆได้เราจะได้หยุดการเกิดได้เมื่อเราหยุดการเกิดได้แล้วเราก็จะหยุดความทุกข์ต่างๆได้นี่ก็เป็นการสรุปธรรมะสําหรับวันนี้เนื่องจากฝนฟ้าอากาศไม่อ้อหน่วย ไม่อยากให้ญาติโยมต้องนั่งกลางฝนแล้วก็ต้องมากังวลเกี่ยวกับสภาพของร่างกายต่อไปก็เลยต้องขอยุติการแสดงไว้เพียงเท่านี้ไว้โอกาสหน้าค่อยว่ากันใหม่ขออนุมโมทนาให้พรยะถาวาเรวาหาปุราปวริปุเรนติสักลังเอวเมวะอิโตทินังเป ต, ตานังอุปปกักปติ อิชีตังปฏทถิตังตุมหังคิดเปเมวะสนิจฉาตุสัพเพปเรนตุสักปาจันโทปนระโสยทามณิโชติระโสยทาสัพพิติโยวิวัจฉาตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตารายสุขีทีขายุโกภว อะพิวาธานสีลิศานิจังวุทธาปจายิโนจัตตารโอธรร ม, มาวัฏานติอายุวันโอสุขังท า, างรังลำดับต่อไปก็เป็นช่วงถามคำถามใครมีคำถามอยากจะถามก็เชิญถามได้ในช่วงนี้ วันนี้มีผู้ติดตามทางบ้านเท่าไหร่วันนี้ Facebook พระจารย์สุชาติพิชาโต367 Facebook พอจอร์สุชาติ45ยอดรวม Facebook 412 YouTube 214วิทยุออนไลน์12 Zoom 7ผู้รับฟังหน้ากุติ125รวม770ครัพระจารย์ช่วงนี้ใครอยากจะถามคําถาม อยากจะถามคำถามก็ถามได้ในช่วงนี้เลยไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้คำถามจากคุณวิจัยค่ะกราบนวัตสการถามครับว่าปัญญาอบรมสมาธิและโพชฌงเจ7ใช่อย่างเดียวกันหรือไม่ครับววก็โพชฌงก็มีธรรมวิจัยโยเนี่ย ธรรมวิจโยก็คือปัญญาการพิจารณาธรรมด้วยปัญญาปัญญาอบรมสมาธิก็การเจริญปัญญาเพื่อทำให้จิตสงบบางทีเรานั่งคุตโธพุดทโธทททมันไม่สงบแล้วดูลมไม่ยอมดูลมมันไปคิดถึงไปกังวลกับคนนั้นคนนี้ก็ให้พิจารณาเรื่องของคนนั้นคนนี้ว่าเขาเป็นอนิจจงทุกขังอนัตตาเขาจะเป็นอะไรบางทีเราก็ห้ามเขาไม่ได้ เขาจะตายเขาจะเป็นเขาจะตายบางทีเราก็ห้ามก็ไม่ได้เราไปกังวลก็ไม่ได้ทาให้เขาไม่ได้เป็นไปตามความกังวลของเราพอเราเห็นว่าเขาจะต้องเป็นไปตามเรื่องของเขาเราไปห้ามไม่ได้เราทำได้ที่เท่าที่เราทาได้เมื่อเราสุดวิสัยแล้วเราก็ต้องยอมรับความจริงว่าทุกคนก็ต้องมีเกิดมีดับมีเปลี่ยนแปลงเมื่อถึงเวลาเขาจะต้องเป็นอะไรก็ต้อง ก็ต้องยอมรับความจริงพอเรายอมรับความจริงใจเราก็สงบนี่เราเราปัญญาอบรมสมาธิก็เป็นธรรมวิจัยอยในโพชฌงแปดธรรมวิจัยก็วิจัยคําว่าธรรมวิจัย ก, ก็พิจารณาด้วยเหตุด้วยผลทางใจรักก็เหมือนกันเป็นอันเดียวกันก็ได้แต่สําหรับโพชฌงนี้อาจจะหมายถึงระดับของพระอริยบุคคล แต่สำหรับสมาธ่นี้ยังอาจจะไม่ไม่ถึงขั้นนั้นก็นได้คำถามฝากถามค่ะถ้าบริษัทหรือองค์กรปัจจุบันยอดขายลดลงอาจต้องคัดพนัก ง, งานที่มีประสิทธิภาพต่ำหรือพนัก ง, งานส่วนเกินเพื่อลดค่าใช้จ่ายแต่ถ้าเราเป็นผู้ทำหน้าที่นั้นจะบาปไหมคะเพราะว่าจะส่งผลกระทบกับเขาแล้วก็ครอบครัวบางคนก็อายุเยอะอาจจะหางานใหม่ยากค่ะ อันนี้ไม่บาปหรอกเพราะมันเป็นเรื่องของความจริงเรื่องของการธาอาค้าขายค้าขายก็ต้องหวังผลกัไรถ้าค้าขายแล้วขาดทุนก็ทำทาบุญทำทานไปเสก็หมดเรื่อง <c oughs> ใช่ไหมไม่ต้องมาค้าขายให้เหน็ดให้เหนื่อยยเมื่อยังค้าขายอยู่ก็ต้องมีการลดค่าใช้จ่าย <c oughs> เพิ่มไรายได้ <c oughs> เห็นถ้าการลดค่าใช้จ่ายต้องลดคนงานลงก็เป็นเรื่องที่มันสุดวิสัยที่เราจะไปห้ามมันได้ถ้าไม่ลดเดี๋ยวก็เจ๊งก็ร้องเร้ากันทั้งหมด <Eliot. S 2> มันจะค่อยๆลดทีละคนสองคนไปก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องของบุญกรรมของแต่ละคนก็แล้วกันใครถูกรดก็ถือว่าเป็นเป็นกรรมของเขาแนะ <c ười> ล้วต้องรับใช้กรรมของเขาไปแต่ถ <c ười> ้าเราไม่มีเจตนาตั้งใจที่จะกลั่นแกล้งเขาเพื่อให้เขาได้ ความทุกข์เดือดร้อนจากการกระทำของเราก็ไม่บาปนะแต่ถ้าเราตั้งใจว่าคนนี้กูอยากจะให้มันออกอยู่แล้วทั้งๆ ท, ที่มันยังสามมันควรจะอยู่ต่อไปได้แต่ก็เอามันออกอย่างนี้อันนี้อาจจะบาปนะเพราะมีเจตนามีเจตนาที่จะทําให้ผู้อื่นเขาเดือดร้อนคําถามจากคุณอภิวัตค่ะเวลานั่งสมาธิแล้วปวดหัวรู้สึกมืนตัวโยกโลกหมุนควรจะแก้ไขยอย่างไรดีครับเพราะเรานั่งแบบไม่มีสติมันก็เป็นอย่างเนี้ย ถ้าจะมีสติแล้วจะนิ่งจะเฉยเรนต้องนั่งด้วยสติคือนั่งแล้วต้องพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปหรือสวดมนต์ไปหรือดูลมหายใจเข้าออกไปอย่านั่งเฉยเฉยพุโทโธสองคำแล้วก็นั่งเฉยเฉยมันก็เป็นคำถามจากคุณพานุวงศ์ค่ะ เวลาเราบริจาคเงินตามเพจต่างๆแล้วเรารู้สึกกังวลว่าเขาจะเอาเงินเราไปใช้ผิดวัตถุประสงค์หรือเปล่าหลอกเราหรือเปล่าเราควรมีมวิธีแก้ไขอารมณ์ ค, ความกังวลของตัวเองอย่างไรครับถ้าเราไม่มั่นใจเราก็อย่าไปทําเราไปเลือกทำที่เรามั่นใจที่เราจะได้ไม่ต้องมากังวลแต่ถ้าเรายังอยากจะทําอยู่ก็คิดว่าแล้วแต่มันเป็นบุญเป็นกรรมของมันมันจะเอาไปทําอะไรถ้ามันมาหลอกเรามันก็เป็นกรรมของมัน แล้วก็ทําเลือกได้สองวิธีถ้าไม่อยากจะมากังวลก็เป็นเลือกทําที่เรามั่นใจไม่ยื่นกับมือคนที่เขาเดือดร้อนเลยให้เขา อ, อย่างญาติโยมบางคนเนี่ยขับรถไปเจอคนเดินข้างถนนถามสารทุกข์สุขเด็อดใส่ก็หยิบมาให้เขาไปเลยอยถึงมือเลยอย่างนี้แล้วสบายใจมีความสุขแต่ถ้าผ่านคนกลางนี้ก็ไม่รู้คนกลางนี้จะเรียกเก็บค่าเปอร์เซ็นต์หรือเปล่ามีคอมมิชชั่นหรือเปล่า มีค่าใช้จ่ายใดๆหรือเปล่าแต่ถ้าเราคิดว่าเราก็ยังอยากจะทำอยู่เพราะเราไม่สะดวกที่จะไปทำเองก็กเชื่อเข้าไปก็แล้วกันจนกว่าเราจะได้ทราบข่าวในภายหลังว่าเขาไม่ได้เป็นเขาไม่ได้บริสุทธิ์เราก็อย่าไปทำคำถามจากคุณเบลค่ะเราจะสามารถทำสมาธิและวิปัสสนาในเวลาทำงานได้ไหมคะยากเพราะว่ามันต้องคิดเรื่องเจาะจงเวลาทางานเรื่องต้องคิดเรื่องงานเรื่องการ แต่ไปคิดเรื่องเกิดแก่เจ็บตายเรื่องอสุภะเรื่องตายรักนี่มันคิดไม่ได้ทําได้อย่างมากก็คือคอยควบคุมใจไม่ให้มีอารมณ์ให้อยู่กับงานการ ง, งานเท่านั้นเองแต่จะให้ใจสงบนิ่งมีความสงบนิ่ทําไม่ได้ต้องทําเวลาที่ไม่ทํางาน <Yeah. S 1> การปฏิบัติธรรมจึงต้องเลือกวันที่เราหยุดทํางานตอนนี้ไม่มีคำตอบมากกว่าใจารย อะไรเต็มยกเลยครับผมเลยข้างหลังมีคนนั่งอยู่เยอะไหมเนี่ยยังมีเยอะอยู่มั้ยมีค่ะยังมีอยู่นะมีคําถามเข้ามาแล้วครับอาจารย์จากคุณอภิวัตรค่ะพระอาจารย์มีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับวัตถุมงคลของขลังครับเป็นของเล่นอะไม่ใช่ของจริงอะเป็นของหลอกหลอกให้เราดีใจหลอกให้เรามีความมั่นใจอะไรทั้งนองนั้น ถ้าจะใช้วัตถุมงคลให้เป็นประโยชน์ก็ให้คิดว่าเป็นพุทธานุสติว่าเราคอยเตือนเตือนสติเราให้เราเลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เพื่อให้เราได้ปฏิบัติตามคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าถ้ามีวัตถุมงคลแบบนี้ก็เป็นประโยชน์เป็นการเจริญพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติแต่ถ้าคิดว่าห้อยเราจะร่ำจะรวยจะปลอดภัยนี่เป็นเป็นความเข้าใจผิด คนห้อยพระตายกันเยอะแยะคนห้อยพระติดคุกก็มีคนห้อยพระเป็นขอทานก็มีดงั้นมันไม่ได้เป็นแบบนั้ น, น, ะนะความจริงพระเจ้าก็เคยสอนแล้วว่ามีสมัยที่พระเจ้าอยู่มีพระหรือหรือโยมไม่ทราบคนหนึ่งทําพระพุทธรูป ม, มาถวายพระเจ้าบอกนี่ไม่ใช่เราอยากมาให้เรานะนะไม่ใช่เป็นที่พึ่งอันนี้ไม่ใช่เป็นที่พึ่งที่พึ่งเราคือการปฏิบัติการปฏิบัติบูบชา ปฏิบัติบูชาแล้วเราจะได้ที่พึ่งคือคุ้มครองจิตใจไม่ใช่คุ้มครองร่างกายแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ต้องแก่เจ็บตายพระพุทธเจ้าก็ต้องถูกเวรกรรมมาลุกลามหนีห้ไม่พ้นทางร่างกายแต่ทางจิตใจท่านจะปลอดภัยจากความทุกข์ทั้งปวงฉั<ม>้น<ม>ขอให้เขาให้เราเข้าใจว่าธรรมะ น, นี้มีไว้คุ้มครองจิตใจไม่ได้มีมาคุ้มครองร่างกายของเราไม่ได้มาคุ้มครองทรัพย์สมบัติของเรา ไม่ได้มาคุ้มครองลูกภรรยาของเราอันนี้คุ้มครองไม่ได้ทุกคนต้องแก่เจ็บตายไปด้วยกันทุกคนคํำถามจากคุณจอยค่ะเราใช้การภาวนาแทนการสวดมนต์ได้ไหมคะการภาวนาก็กับการสวดมนต์ก็ก็เป็นการภาวนาเหมือนกันการสวดมนต์ก็เป็นการฝึกสติฝึกสมาธิการภาวนาดูลมพุทโธดูลมเข้าออกหรือพุทโธก็เป็นการทําภาวนาทำ ทำสติทำสมาธิเหมือนกันต่างกัน่างที่ระดับถ้าส่วนมนต์ไหว้พระมันจะอยู่ระดับต่ำกว่าการภาวนาคือการดูลมหรืการพุดโทคําถามจากคุณศัชิค่ะเราโกหกเพื่อความสบายใจของคนอื่นหรือเพื่อความสบายใจของตนเองแต่เราไม่ได้เจตนาร้ายอย่างนี้ผิดศีลไหมเจ้าคะผิดก็โกหกเ่ยจะมีมันโกหก คือเรายอมน้อ ม, อมเป็นหมายอมเป็นสุนัขเพื่อให้คนอื่นเขาสบายใจก็เอาเลยยอมไปอบายยอมติดคุกเหมือนบางทีบางคนยอมติดคุกใกล้เจ้านายเจ้านายไม่ได้ทาหรอกผมทํอย่างนี้เอาสิถ้าคุณอยากจะทำอย่างนี้ก็ได้อยอมติดคุกไปคําถามจากคุณสุรศักดิ์ค่ะ ทำไมจิตไม่อยากเจอปัญหาเมื่อจิตเจอปัญหาแล้วก็เบื่อมีข้อแม้ต่างๆทำอย่างไรเราจะวางใจให้ถูกคะเพราะโดยธรรมชาติของจิตเราต้องการความสุขไม่ต้องการความทุกข์พอเจอปัญหาความทุกข์มันก็เกิดขึ้นตามมาเราไม่มีใครอยากจะเจอความทุกข์กันแต่ถ้ามาเกิดในโลกนี้แล้วหนีไม่พ้นทุกข์ถ้าไม่อยากจะเจอปัญหาเจอทุกข์ก็อย่ามาเกิดเท่านั้นเอง ก็ต้องปฏิบัติทเสิ่งสมาธิปัญญาหยุดความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดซึ่งไปแล้วการเกิดก็ไม่มีเม่ไม่เกิดการปัญหาก็ไม่มีทุก์ก็ไม่มีตามมาต่อไปคําถามจากคุณวงเดือนค่ะต้องทําสมาธิให้เก่งก่อนถึงจะได้ทําวิปัสสนาถูกไหมเจ้าคะถูกเพราะว่าถ้าไม่มีสมาธิเราไม่มีกําลังที่จะสู้กับความอยากได้เราเกิดความอยากเข้าใจมันจะดิ้นจะทําให้เรารู้สึกทรมานใจ จนไม่สามารถที่จะสู้มันได้แต่ถ้าเรามีสมาธิเรามีสติพอมันดิน้นเราใช้สติหยุดมันได้ให้มันเป็นอุเบกขาให้มันเฉยได้ให้มันฝืนความอยากได้คำถามจากคุณพีเอมค่ะมีคนให้พระเครื่องมาไม่อยากเก็บจะมีวิธีทำอย่างไรดีเจ้าคะก็ประกาศในเฟสเดี๋ยวนี้มีใครอยากจะได้ก็บอกที่อยู่มาส่งมาแล้วก็ส่งไปไ ด, รรได้ทำทานได้ทาบุญไป ไม่มีคำถามแล้วค่ะหมดแล้วเหรอหมด้าคาประจานโอเคอ ม, มงหน้าดูเวลาหน่อยสามโงสิบอ็ดค่ะส1 1โมงสิบเอ็ดมมอ่า อ, อ, อยากจะฟังต่อเลยอยากจะเลิอกอยากจะฟังเลยอ่านนก็ฟังต่อไปออก็เรื่องของจิตใจเนี่ยที่เรามาศึกษามาปฏิบัติกันก็เพื่อรักษาใจให้เราไม่ทุกข์กับเรื่องราวต่างๆ ท้อใจเราไม่ทุกข์เราเราไม่ต้องไปหาความสุขแล้วที่ที่เราดิ้นนนกันเพราะใจเรามันทุกข์แล้วอยากจะหาวิธีดับทุกข์ด้วยวิธีต่างๆเช่นไปเที่ยวเวลาไม่สบายใจก็ไปเที่ยวกันมันก็ดับความทุกข์ได้ชั่วคราวแต่พอกลับมาบ้านก็กลับมาเจอความทุกข์เก่าเย่าง้นวิธีดับทุกข์แบบนี้ดับไปจนวันตายก็ไม่มีวันหมดวิธีจะดับทุกข์ต้องไ่ดับที่สาเหตุของความทุกข์ ใ้คํงความทุกข์ก็คือกิเลสตัณหาของเรานี่อยากได้นั่นอยากได้นี่อยากเป็นนั่นอยากมีนี่พอไม่ได้เป็นก็ทุกข์เนี่ยพอเวลาต้องอยากออกไปเที่ยวพออยู่บ้านก็ทุกข์ละแต่ถ้าไม่มีความอยากไปเที่ยวอยู่บ้านก็สบายมีความสุขพออยากมีแฟนอยู่คนเดียวไม่ได้นะเหงาแล้วเศร้าขึ้นมาแล้วถ้าหยุดความอยากมีแฟนได้ก็อยู่คนเดียวได้สบายได้ งั้การที่เราจะหยุดความอยากได้เราต้องมีความสุขในตัวเราก่อนงั้เราต้องมาสร้างความสุขในตัวเราด้วยการปฏิบัติสมาธินี่ทำจิตให้สงบเพราะพอจิตสงบแล้วเราก็จะได้ความสุขในตัวเราที่เรียกว่าความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงนัตติสันติปรังสุขขังมไม่มีสุขใดในโลกนี้ที่จะเหนือกว่าความสุขที่เกิดจากความสงบ เห็นพอเราได้ความสุขกันนี้แล้วถึงแม้ว่ามันจะเป็นแบบชั่วคราวมันก็ยังทำให้เราพอฝืนความอยากต่างๆได้พอเราอยากเราก็มานั่งสมาธิกันมาหาความสุขจากความสงบกันแต่ถ้าเราอยากจะให้ความสุขของเราสุขแบบตลอดเวลาเราก็ต้องพยายามกำจัดความอยากเวลามันโผล่ขึ้นมาด้วยการสอนว่าการไปหาความอยากทำตามความอยากเพื่อหาความสุขมันจะพาเราไปเจอความทุกข์ เป็นอยากมีแฟนเชื่อมีแฟนแล้วมีความสุขเวลาได้กันใหม่ๆก็สุขใช่ไหมเมื่อข้ายังไม่ทันดำํำเดี๋ยวไม่นานก็ตีกันแล้วกลายเป็นสถานมวยไปทีมวย ร, ราชดําเนินลุมพินีไปแล้วอย่ให้คิดถึงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นะคนเราทุกคนมันต้องเปลี่ยนจากดีกลายเป็นไม่ดีไปจากความไม่เห็นแก่ตัวกลายเป็นเห็นแก่ตัวไปแล้วตอนนั้นเราก็จะทุกข์กัน ถ้าเห็นความทุกข์แล้วเราก็จะทำให้เราหยุดความอยากต่างๆได้คำถามจากคุณปะข้าปะภาค่ะลูกสาวขี้โมโหวควรสอนเขาเรื่องบาปบุญคุณโทษแบบไหนดีคะก็บอกให้เขาใจเย็นๆอย่าไปอยากจูจี้จุกจิกอย่าไปอยากได้น้่นอยากมีนี่ให้หัดทำใจยินดีตามมีตามเกิดนะมีอะไรก็ให้พอใจกับสิ่งที่มี ได้แล้วมาจะให้ยินดีกับสิ่งที่ได้แล้วก็จะไม่โมโหใคร<ม>ที่โมโหเพราะอยากได้นู่นได้นี่นพอไม่ได้ดังใจอยากก็โมโหขึ้นมาัมน้นพยายามลดลดความอยากให้น้อยลงฝึกจิตใจให้ยินดีตามตามีตามเกิดไปนะสันโดษ<ม>ความยินดีตามมีตามเกิดเรียกว่าสันโดษ<ม>แล้วจะไม่โมโหจะมีความสุขได้น้อยก็มีความสุขได้มากก็มีความสุข คำถามจากคุณอภิวัตค่ะอารมณ์แปรปรวนบ่อยควรจะแก้ไขยอย่างไรดีครับฝึกสติอยู่เรื่อยๆสติจะเป็นตัวปรับอารมณ์ได้จะทําทให้เราอารมณ์สงบตัวลงพยายามฝึกสมาฝึกพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆอย่าปล่อยให้ใจคิดถ้าคิดแล้วมันก็จะสร้างอารมณ์ต่างๆขึ้นมาดีบ้างไม่ดีบ้างแล้วแต่ความคิดจะไปคิดถึงเรื่องอะไรเข้าหรือไปเจอเรื่องอะไรเข้าแล้วก็คิดเกี่ยวเรื่องนั้นมันก็เลยทําให้เกิดอารมณ์ต่างๆขึ้นมา ถ้ามีสติพุโทโธพุโทโธอย่าไปชิดเห็นอะไรก็เฉยเฉยไปพุโทโธไปได้ยินอะไรก็เฉยเฉยไปพุโทโธไปอารมณ์มันก็จะไม่เกิดแต่ถ้าเรา ไ, มมไปมีปฏิกิริยากับสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราได้ยินด้วยความคิดคิดชอบบ้างคิดไม่ชอบบ้างก็จะเกิดอารมณ์วุ่นวายขึ้นมาได้ คำถามจากคุณจิฟฟี่ค่ะนั่งสมาธิสงบในอารมณ์ที่วางเฉยแล้วเริ่มพิจารณาร่างกายบนลงล่างกลับไปมาเรื่อยๆทำถูกหรือเปล่าเจ้าคะแต่บางทีใจก็แอบกลัวเห็นเลือดเห็นน้ำหนองอย่างที่เคยได้ฟังมาควรจะทำใจอย่างไรเพิ่งเริ่มพิจารณาร่างกายเจ้าคะาาาค่ะนั่งสมาธิสงบ ในอารมณ์ที่วางเฉยแล้วเริ่มพิจรารณาร่างกายบนลงล่างกลับไปมาเรื่อยๆทำถูกหรือเปล่าเจ้าคะแต่บางทีเลวลาจิตสงบแล้วยังไม่ต้องไปพิจารณาให้จิตสงบนานๆก่อนให้จิตมีความพลังก่อนเพราะว่าถ้าสงบไปมันเหมือนเหมือนเพิ่งชาร์จแบตเนี่ยพอเสียบเข้าไปปั๊บก็ถอดสายแล้ะเอาไปใช้ใหม่มันก็ไม่มีมันก็ไม่มีไฟเข้าไปในในเครื่อง เวลาเสียบสายแล้วก็ต้องทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งให้มันชาร์ไฟให้เต็มก่อนจิตก็เหมือนกันพอจิตสงบปั๊บนี่เป็นเหมือนกระเพิ่งเ พ, พิ่งเสียบสายพอเสียบสายปับ๊บต่างถอนมันออกมาเอาไปใช้งานแล้วอย่าเพิ่งเอาไปใช้งานฝึกสมาธิให้มันสงบนานๆให้มันเย็นนานๆให้มันสบายนานๆแล้วเวลามาพิ จ, จารณาทางปัญญามันจะไม่มีอารมณ์เนี่ยพอพิ จ, จารณาเห็นเลือดเห็นน้ําเหลืองนี่มีอารมณ์นะ แสดงว่าจิตไม่สงบพอสงบไม่พออารมอยังต้านอารมณ์ไม่ได้ยนันต้องพยายามฝึกสมาธิให้มากๆกก่อนแล้วค่อยออกมาจากสมาธิแล้วค่อยมาลองพิจารณาทางปัญญาดู<ม>ถ้าพิจารณาแล้วยังพิจารณาไม่ได้ก็อย่าเพิ่งไปพิจารณากลับมาฝึกสมาธิต่อไปก่อนออกมาจากสมาธิก็พุโทโธพุโทโธฝึกสติไปก่อนอย่าเพิ่งไปทางปัญญา จนกว่าจิตเราจะเข้มแข็งจะไม่มีอารมณ์ต่อต้านกับสิ่งที่เราพิจารณาไม่รู้สึกมีอารมณ์หดหูหรือหวาดกลัวอะไรเราก็ค่อยพิจารณาเพราะเราต้องพิจารณาสิ่งที่จิตไม่ชอบดูไม่ชอบดูความแก่ไม่ชอบดูความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ชอบดูความตายไม่ชอบดูอาการสามสิบสองของร่างกายถ้ายังมี อารมณอยู่ก็สแสดงว่าจิตยังสงบไม่พอก็ต้องฝึกสติฝึกสมาธิให้มากขึ้นไปตามลําดับก่อนคําถามจากคุณชีพค่ะการปลอมใจจนเสียชีวิตถือว่าเป็นการฆ่าตัวตายไหมคะไม่หรอกเพราะว่ามันเป็นเรื่องของจิตใจแล้วจิตใจไม่มีกระจิกกระใจที่จะอยู่ก็ปล่อยปละเรื่องของน่างกายไปไม่ดูแลรักษาไม่เลี้ยงดูมันมันก็ตายไป แบบนี้ไม่ถือว่าเป็นการฆ่าตัวตายเป็นการปล่อยให้มันตายเป็นการปล่อยให้มันไปไปตามธรรมชาติของมันมไม่เหมือนกับการฆ่าตัวตาย<ม>เอาอะไรมาอุดจมูกทําให้มันไม่หายใจได้<ม>อันนี้เป็นการไปฆ่าร่างกายแต่ถ้าร่างกายมันไม่มีใครดูแลไม่มีข้าวกินไม่มีน้ําดื่มเดี๋ยวมันก็ตายของมันเองอย่างนี้ไม่เรียกว่าเป็นการฆ่าตัวตาย คำถามจากคุณอภิวัตค่ะการภาวนาพองหนอกับพุทโธต่างกันอย่างไรครับก็พูดตัวก็พุทโธ พ, พองหนอก็พองหนอมันก็ดูลมเหมือนกันดูครัดจุดความจริงดูพองหนอยุบหนอนี่มันดูที่หน้าอกเนินที่หน้าท้องเวลาลมเข้ามันก็พองเวลาลมออกมันก็ยุบส่วนการบริกรรมพุทโธแล้วดูลมก็เป็นการเอาพุทโธมากำกับกับลมหายใจเข้าออก หายใจเข้าก็ว่าพุทหายใจออกก็ว่าโทมันก็เป็นการดูลมอย่างเดียวกันเพียงแต่ว่าต่างกันว่าดูตรงจุดไหนดูที่หน้าท้องก็ใช้ยุบหนอพองหนอถ้าดูที่ปลายจมูกก็ใช้พุทโทพุทโทไปแต่ไม่ต้องใช้พุทธโทก็ได้ดูเฉยๆก็ได้รู้ว่าเรานี้ลมเข้าลมออกเนี่ยให้รู้เฉยๆรู้ตามความเป็นจริงของลมไม่ต้องท่องพุทโทควบคู่ไปด้วยก็ได้ เลยถ้าต้องการพุโทโธก็ไม่ต้องดูลมก็ได้ให้อยู่กับคำว่าพุโทโธพุโทโธไปเป้าหมายก็เพื่อให้ใจไม่ไปคิดเรื่องราวต่างๆนั่นเองเพราะถ้าใจต้องทำทางานอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่มันจะไปคิดเรื่องอื่นไม่ได้คำถามจากคุณจอยค่ะถ้ามีคนห้ามคนทําบุญไม่ทําบุญถือว่าผิดไหมคะเขาก็ไม่อนุโมทนาบุญท่นเองเขาก็ไม่ได้บุญนะ แต่ไม่บาปนะเพลงแต่ว่าเขาก็ขัดขวางการทําการทําบุญของผู้อื่น <Yeah. S 1> ทำให้เขาก็ไม่ได้บุญคนอื่นก็ไม่ได้บุญด้วย <Yeah. S 1> ฉะนั้นท่านถึงสอนว่าให้เราอนุโมทนาบุญ <Yeah. S 1> ถ้าเราเกี่ยวข้องกับใครแล้วเขาทาบุญเราอย่าไปห้ามเขาเราควรจะสนับสนุนเขาแล้วเราจะมีความสุขกับการทําบุญของเขาด้วย <Yeah. S 1> เพราะการทําความทําบุญนี่มีแต่คุณประโยชน์ทั้งผู้ให้และผู้รับ <Yeah. S 1> ผู้รับ ก็ได้ประโยชน์จากข้าวของเงินทองที่เราให้ไปผู้ให้ก็ได้ความสุขใจกลับมาผู้ที่อนุโมทนาก็ชื่นชมยินดีมีความสุขกับเขาไปด้วยถ้าไปห้ามไปขัดขวางก็อิจฉาลิสยาบ้างหรือว่าไม่พ อ, ออกพอใจบ้างทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาโดยใช่เหตุเห็นถ้าเห็นใครเขาทำความดีถ้าอนุโมทนาไม่ได้ก็อย่าไปห้ามเขาก็ปล่อยเขาไปถ้าอนุโมทนาได้ก็ทำไป เนลูน้องขอลาไปทําบุญอ่ะไปเลย เ, ยเรียกว่าอนุโมทนาร่วมสนับสนุนแต่ถ้าไม่สนับสนุนก็บอกให้รอวันหยุดใคยไปทำก็แล้วกันนะตอนนี้ไม่ว่างอย่างนี้ก็ได้แต่ยังดีกว่าห้ามเด็ดขาดใครทําบุญห้ามมาทํางานที่บริษัทนี้ถ้าอย่างนี้ยมันก็เป็นเป็นการปิดสะพานบุญปิดการกระทําบุญของคนอื่นเขา คำถามจากคุณอภิวัตรค่ะพระอาจารย์เคยสอนว่าให้รู้เฉยๆรบกวนพระอาจารย์อธิบายเพิ่มเติมครับเวลาใครด่าก็เฉยๆไงให้รู้เฉยๆรู้ว่าเขาดา่าเวลาใครชมก็ดูเฉยๆอย่าไปดีใจอย่าไปเสียใจเดี๋ยวมันก็ผ่านไปถ้าไปดีใจเดี๋ยวพอคราวหน้าเขาไม่ชมหน่อยก็เสียใจละเพราะเขาดา่าปุ๊บ ก, ก็โกรธเขาละงั้นต้องฝึกใจให้เฉยๆแล้วใจจะได้ไม่ทุกข์ เท่านั้นเองเป้าหมายคือหยุดความทุกข์ของใจจากการไปมีปฏิกิริยากับสิ่งต่างๆที่ใจไปสัมผัสรับรู้ด้วยเท่านั้นเองคําถามจากคุณเอกวิทย์ค่ะหลวงตามหาบัวเคยชมพระอาจารย์ว่ามีหลักใจอยากทราบว่ามีหลักใจนี่คืออะไรครับก็ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจไงยึดเหนี่ยวจิตใจไม่ให้จิตใจไหลาตามกระแสของความโลภความโกรธความหลง หลักใจก็มีสองระดับระดับสมาธิกับระดับปัญญาระดับสมาธิก็เป็นหลักใจแบบชั่วครั้งชั่วคราวบางทีมันก็หายไปได้บางทีมันก็อยู่แต่ถ้าระดับปัญญาแล้วมันจะอยู่ตลอดเวลาฉั้นเป้าแรกเป้าหมายแรกก็คือสมาธิให้เป็นหลักใจก่อนเพราะสมาธิมันง่ายกว่าปัญญาและปัญญาต้องอาศัยสมาธิในเบื้องต้นเราก็เลยฝึกสติฝึกสมาธิกันเพื่อจาใจให้สงบ พอใจสงบเราก็หยุดความโลภความโกรธความหลงได้ชั่วคราวแต่พอจากสมาธิมาเดี๋ยวความโลภความโกรธความหลงก็โผล่ขึ้นมาได้ใหม่ถ้าอยากจะให้มันหายอย่างถาวอรอขั้นต่อไปก็ต้องใช้ปัญญามาสอนใจว่าสิ่งที่เราอยากได้มันไม่ดีอย่างที่เราคิดหรอกถ้าเป็นคนสวยคนหลอ่อก็มันไม่ได้สวยมันหลอ่อเหมือนอย่างที่เราคิดหรอกดูตอนที่มันตื่นขึ้นมาเลยตอนที่มันขี้ตา ติดตามีขี้มูกหลังไหลมีขินมปากเหม็นนี้มันก็จะได้ไม่หลงมันจะได้ไม่ไปหลงรักไข่มันก็จะหยุดกิเลสได้อย่างถาวรนั่นนี่คือหลักใจสองระดับหลักแรกก็คือสมาธิหลักที่สองก็คือปัญญา คำถามจากคุณแทนค่ะการนั่งสมาธิหากเริ่มจากการดูลมหายใจสักพักแล้วอยากจะหยุดนั่งสามารถสวดอิติปิโส ต, ต่อได้ไหมคะได้แต่มันเป็นเหมือ น, นกับการเดินถอยหลังแต่ก็ยังดีกว่าเลิกถ้าดูลมไม่ไหวอยากจะสวดก็สวดได้แต่ถ้าดูลมได้มันจะสงบมากกว่าแต่ถ้ายังดูลมไม่ได้ก็ต้องกลับมาสายการสวดไปก่อนการบริกรรมไปก่อน เห ม, มือนคำถามก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลานะเพราะว่าวันนี้ก็เลิกเทศเร็วหน่อยคำถาม่าคงจะพอสมควรก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิจิารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถิด